ท่านฟังกําลังฟังรายการสรสนีสนทนาซึ่งดําเนินรายการโดยสรสนีษฐานากพง์นะคะมาถึงขณะนี้จะได้เวลาที่เรามาสนทนาธรรมกับท่านไพบูรณ์อภิปุลโนช่วงที่เราเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะเป็นการตอบคําถามหรือว่าเป็นการสนทนาแล้วท่านไพบูรณ์ ก็จะได้นำเอาพุทธวจนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตอบในคำถามมากล่าวในบทสนทนาเพื่อให้ความกระจ่างเกิดกับทุกๆ ท, ท, ท่านในเรื่องของว่าคำสอนของพระพุทธองค์จากพระโอษนั้นเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องนั้นๆ น, น, นะคะและตอนนี้ท่านภบูบุ์อภิปุลโนจากวัดป่าดอนหายโศกน้องหารอุดรธานีท่านก็พร้อมอยู่ในห้องส่งแล้วคะ่ะนมัส ก, การใช่ค ะ, คะใช่จตุร ก็ยังมีคำถามอุณาฝาข้างก่อนอหน้านี้ได้ไปในงานประชุมเพลิงของโยมพ่อของท่านมาร์กหรือว่าพระมารกชาคาวโร<ม>ที่ได้กล่าวนำปฏิบัติธรรมในช่วงต้นกับนำพระสูตรมาฝากพวกเราทุกคนได้ไปพบผู้ฟังรายการจำนวนมากเลยนะคะ<ม>เดินผ่านไปทางนั้นคนนั้นก็บอกฟังรายการไปทางนี้คนนี้ก็บอกฟังรายการ <c oughs> ก็ดูเป็นที่น่าชื่นใจดีคิดว่าในการก็ มีผู้ที่ได้ส่งคอมเมนต์มาหลายเรื่องที่ว่ารายการนี้เป็นประโยชน์กบับผู้ฟังก็ขออนุโมทนากับทีมงานแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านด้วยที่มากเลยเราต้องอนุโมทนาคนถามด้วยนะคะใช่ใชเพราะว่าการที่ท่านทั้งหลายถามมาเนี่ยก็ทําให้เกิดงอกงามในประเด็นทั้งคําถามและคําตอบเพราะว่าบางทีดิฉันเป็นผู้ถามเนี่ยก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะคะว่า<ช>จะถามในคําถามที่ท่านสงสัย แล้วคำถามนั้นนั้นมันอาจจะเป็นคำถามที่อยู่ในใจของใครต่อใครอีกหลายคนใช่วันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่คุณลูกศิษย์ก่อนนะคะที่ถามมาออบอกว่าอันเนี้ยได้เข้าไปในเพียวธรรมะ .com/106 ของท่านแล้วไปอ่านข้อความที่ท่านโพสต์ล่าสุดเกี่ยวกับภัยที่มันดานและบุตรช่วยกันไม่ได้อย่างที่สองคือภัยจากความเจ็บไข้ก็เลยขอกราบเรียนถามท่านดังนี้คะ่ะ บอกว่าถ้าผู้เป็นบุตรแผ่เมตตาและส่วนกุศลให้กับบิดามารดาและอาทิฐานจิตขอบุตรเป็นผู้รับทุกข์ทางกายและใจแทนบิดามารดาทุกวันตลอดมาอยากทราบว่าเป็นการช่วยบรรเทาอาการเจ็บไข้ของบิดามารดาได้หรือไม่เจ้าคะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้บอกว่ามารดาก็ไม่ได้ตามปรารถนากับบุตรผู้เจ็บอยู่ว่าเราเจ็บเองเถิดมารดาของเราอย่าเจ็บเลย หมายถึงว่ามารดาไม่ได้ตามปรารถนาว่าเราเจ็บไข้เองเถิดบุตรของเราอยา่าเจ็บไข้เลยหรือบุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่าเราเจ็บไข้เองเถิดมารดาของเราอยา่าเจ็บไข้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยกันไม่ได้อย่างที่สองแล้วพระพุทธเจ้าพูดถึงภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้เนี่ยคือคนทั่วไปที่ไม่ได้เคยฟังธรรมไม่รู้ธรรมเนี่ยจะบอกโอ๊ยนี่ไงสูนามิมาแม่ไปทางลูกไปทางนะช่วยกันไม่ได้ไฟไหม้ครั้งใหญ่ก็เป็นอย่างที่2อย่างที่1อย่างที่3นี่เป็นเวลาที่มีโจรขบฏมา นะอย่างเช่นโกลาหลในเมืองที่ราฐประสองค์อะไรต่างๆแม่ไปทางลูกไปทางช่วยกันไม่ได้แต่บุรุษชาติบอกว่าภัยจริงๆแล้วที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้จริงๆเลยนะมี3ามอย่างคือความแก่ความเจ็บและความตายค่ะแม่นะไม่ได้ตามปรนันากับลูกผู้กําลังแก่อยู่หรือเจ็บอยู่หรือตายอยู่ว่าฉันตายเถอะเธออย่าตายไม่ได้โองั้นถ้าสมมุติว่าตอบแบบฟันธงก็คือช่วยไม่ได้ อธิษฐานยังไงก็ไม่ได้จะมาเจ็บแทนท่านไม่ได้แต่ทํายังไงถึงจะดีะทํายังไงถึงทําได้ตามระบบของ ม, มัคมยองแปคือหลังจากที่เรานั่งสมาธิเจริญภาวนาแล้วเนี่ยจิตของเราเป็นกุศลจิตของเราเป็นสมาธิด้วยจิตที่เป็นกุศลด้วยจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยเป็นจิตที่มีกําลังกําลังตรงนี้เราสามารถใช้ในการแผ่แผ่บุญแผ่กุศลแผ่เรียกว่าแผ่กระแสแห่งความเมตตาไปให้ท่านได้จิตดวงไหนก็แล้วแต่ที่ถูกต้องกระแสแห่งความเมตตาแล้วเนี่ยจะน้อมหนัำไปในทางกุศล เพราะฉะนั้นพอจิตของบิดามารดาเราเนี่ยผู้เจ็บอยู่ใช่ไหมได้รับกระแสแห่งเมตตาแล้วเนี่ยเขาเจอภาษาอะไรที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ตามเนี่ยจะทําให้เขาน้อมไปในทางกุศลมากขึ้นเจ็บอยูอ่เดี๋ยวไปฟังธรรมมีอุบายในการหายความเจ็บเป็นไปได้นะรพระพุทธเจ้าก็เคยใช้เทคนิคนี้คือการเทคนิคของการแผ่เมตตาเนี่ยให้ภิกษุสอ ง, ององค์ที่ไล่ตะเพิดไปเนี่ยให้กลับมาฟังธรรมได้นะเพราะฉะนั้นมันเป็น เรื่องที่พระเจ้าพูดถึงว่าจิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยที่ถูกต้องกระแสแห่งความเมตตาแล้วเนี่ยจะน้อมไปในกุศลธร ร, รมรเราทําอย่างนี้ก็ได้เพื่อพ่อแม่ของเราอ๋อคือเหมือนกับว่ า, าจิตของเราเนี่ยที่แผ่เมตตาไปท่านจะสัมผัสกระแสจิตที่แผ่เมตตาไปให้ได้เลยใะถูกต้องเพราะว่ากระแสแห่งความรักความเมตตาเนี่ยเป็น เ, เมตตากรุณาบุรุษตาอุเบกขาเนี่ยเป็นคุณสมบัติของพรหม เนี่ยวะพรมเนี่ยคือมีความรักแบบที่ unconditional love คือให้อย่างเดียว uh huh. เพราะฉะนั้นเขาจึงยกย่องพรมเนี่ยว่าเป็นสัตว์ที่สูงสุดเหนือที่สุดเพราะฉะนั้นความรักความเมตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ได้เหมือนกับต่อเทียนอย่างเงี้ย น, นะเทียนของตัวเองไม่ได้ลดลงไปแต่ก็ต่อให้คนอื่นได้นี่ก็สะท้อนถึงว่าในคําถามของคุณลูกศิษย์เนี่ยถ้าใครเป็นแบบคุณลูกศิษย์ที่ถามคําถามนี้มาเนี่ยต้องเป็นคนที่รักคุณพ่อคุณแม่มากชนิดที่ว่าไม่อยากให้ท่านเจ็บ เนื้อเจ็บตัวทรมานจากอาการเจ็บแค่ได้ป่วยเลยอยากรับแทนซะทั้งหมดอาตมาก็มีประสบการณ์ตรงโยมแม่อาจมาสมัยตอนที่เราเด็กๆนะอายุ่10กวบก็นอนอยู่ในห้องเดียวกันครั้งหนึ่งคุณโยมแม่เนี่ยลุกขึ้นมาตอนตี2นะตอนนั้นสมัยนั้นอาตมาเด็กๆลุกขึ้นมาตอนตี2ด้วยความที่ปวดขาปวดตรงน่องอะน ะ, ะนะผู้หญิงที่ปวดขาเนี่ยคุณจะทราบดี เนจากกระดูกเริ่มผุเริ่มอะไรอย่างเงี้ยมีอาการปวดน่องก็ <Okay. S 1> ขึ้นมากดนวดนวดอยู่เราก็รู้สึกตัวขึ้นมาเอา้าแม่เป็นอะไรเราก็เลยมาช่วยทันนวดนวดไปสินาที20สนาทีจนกระทั่งสีินาทีเอ๊ะทำไมไม่หายปวดสัทีที่ม uh ัน huh. ตีสองตีสามไม่นอนเราก็เลยรู้สึกว่ามีความปรารถนาว่าโอ้ยเราจะเจ็บแทนแม่ได้ไหมแม่ย็ดไม่ต้องเจ็บแม่จะได้นอนสบาย <Okay. S 1> เรามาคิดว่าเราจะเจ็บแทนเนี่ยโอ้ไม่ได้เลยเราเจ็บแทนแม่ไม่ได้ แล้วพอมาอ่านเจอตรงนี้ที่พระเจ้าสอนเรื่องภัยที่มาดาและบุตช่วยกันไม่ได้เนี่ยโอ้มันมันจริงๆริงนคะค่ะแต่ทีนี้<ม>อยากจะถามนะคะว่าสำหรับในนาทีนั้นขณะจิตที่เราเนี่ยตั้งปรารถนาเลยนะอยากจะเจ็บแท น, แทนคุณพ<ม>่อคุณแม่เนี่ยเราได้ผลดีอะไรบ้างไหมคะอะไรเกิดขึ้นเพราะมันดูเหมือนมันเป็นกุศลจิตเป็นกระตันยูจิตเนี่ยคะ่ะจิตของเราก็เป็นจิตที่มีความกรุณาง จิตนั้นเนี่ยที่อยากจะเจ็บแทนแก้ไขแทนให้เขาเนี่ยเป็นจิตที่มีความกรุณาเพราะฉะนั้นก็เป็นคุณสมบัติของพรหมอย่างหนึ่งเป็นปรพรหมวิหารจิตของเราก็เป็นกุศลอยู่อ๋ อ, อ ก, ก็เท่ากับว่าคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะช่วยท่านไม่ได้<ม>แต่ว่าเราในได้กับตัวเองเลยคือได้จิตที่มีความกรุณาบังเกิดขึ้นแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดนะคะแล้ว เ, เกิดผลจริง ๆ, <ม>งๆก็คือต้องไปปฏิบัติสมาธิ เพื่ อ, อให้จิตมีกําลังและจะได้แผ่เมตตาได้มีผลคือตรงนี้มันเป็นสองระนาบสองระดับอย่างนี้ว่าการที่เราจะปรารถนาให้เจ็บแทนท่านเนี่ยไม่ได้แล้วนะอันนี้จบไปนะเรื่องทางกายแต่เรื่องทางจิตจิตแบบนั้นเนี่ยเป็นจิตที่มีความกรุณาโอเป็นจิตสูงส่งใครเป็นรูปแบบนี้เยี่ยมด<อ>นะีแล้วก็ก็แก้ตามเหตุตามปัจจัยป่วยก็พาไปไหาหมอลักษณะนีะนะ้แต่เราก็ไปปรารถนาอย่างนั้นมันไม่ถูกตามระบบนะคะ ดังนั้นวิธีต่อไ ป, อไปสมมุติตเกิดคุณพ่อคุณแม่เจ็บไข้ได้ป่วยระหว่างที่ท่านอาจจะศึกษาจากการปฏิบัติธรรมแล้วปฏิบัติสมาธิแล้วทีนี้ก็ไปเข้าห้องปฏิบัติสมาธิเลยหรืออาจจะปฏิบัติต่อหน้าท่านก็ได้แล้วส่งจิตแผ่เมตตาเมื่อจิตมีสมาธิดีแล้วต่อมาเป็นคําถามที่2นะคะของคุณรินนาถามมาเรื่องมิตรแท้กรณีของคารวาสค่ะว่าการทําตัวเป็นมิตรแท้เนี่ย น่าจะทําได้กว่าการหามิตรแท้สักคนนะเจ้าคะมิตรแท้เราจําเป็นต้องหาหรือไม่หรือแค่เราทําตัวเป็นมิตรแท้เราก็จะได้มิตรแท้เองนะคะดิฉันถามทีละครึ่งได้ไหมคะเพราะว่าบางท่านอาจจะเพิ่งมาฟังอยากทราบว่ามิตรแท้เนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรคะก็คืออันนี้คงจะสืบเนื่องมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มันพูดเราได้พูดถึงเรื่องมิตรภพมิตรนะว่ามิตรมีลักษณะที่มิตรไม่ดี4ีอย่างมิตรดี4อย่าง นะมีเครื่องบัดเครื่องอ้างอิงอย่างไรก็อธิบายอย่างละเอียดเลยพระเจ้าอธิบายอย่างละเอียดตรงนี้คุรินาก็เลยมีความสงสัยในเรื่องว่าเอถ้าเราจะทําตัวเป็นมิตรแท้เนี่ยน่าจะง่ายกว่าหาสักคนนึ่งแล้วก็มิตรแท้นี่จะเป็นต้องหาไหม ค, คือพระพุทธเจ้าบอกว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ซึ่งตรงนี้พระอานนท์บอกว่าโอ้ยแคงนี้ พูดถึงการมีกัลยาณมิตรกับการโยนิสโสมนัสิการใช่ไหมว่าอันนี้จะเป็นเบื้องต้นแห่งปรมาจารย์พระอนุนก็เลยสรุปว่างั้นการมีมิตรแท้เนี่ยก็เป็นเครื่งหนึ่งของปรมาจารย์สิพระเจ้าบอกอมไม่ใช่ทั้งหมดเลยการมีมิตรแท้เนี่ยเป็นทั้งหมดของปรมาจารย์เพราะฉะนั้นถามว่าจะเป็นต้องมีมิตรแท้ไหมโอ้โหมันเป็นทั้งหมดของปรมาจารย์นะเพราะฉะนั้นมิตรแท้ที่พระเจ้ายกตัวอย่างถึงเนี่ยหนึ่งเป็นตัวคนก็มีนะเป็นตัวคน ตัวคนนี้มี2แบบคือแบบที่เป็นเพื่อนเราอย่างที่หนึ่งอย่างที่2คือเป็นแบบที่เป็นครูบาอาจารย์คือพระพุทธเจ้าบอกว่าเอาเป็นครูบาอาจารย์ที่เรามีฮิริโอตปะอย่างแรงกล้านะเอาผู้นี้เป็นกรลยานมิตรก็ได้หรือเอาพระพุทธเจ้าเป็นกรรยาณมิตรก็ได้เป็นเอาพระองค์เป็นกรรยานมิตรหรืออย่างที่2คือเอาสิ่งที่เป็นนามธรรมคือเอามรค8นี่แหละเป็นกรรยานมิตรก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เห็นตัวคนเป็นกรรยานมิตรแล้วเนี่ยเราก็เอา เราก็เอามักแปนี่สิเป็นกราณมิตก็ได้ค่ะก็เท่ากับว่าตอบคาถามได้เลยว่าถ้ามันมี2 อ, อย่างนะค ะ, ะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใช่แล้วก็การที่เรามีมักแปเนี่ยการมีมักแปเนี่ยนะคือการเอาเอาสิ่งที่เป็นนา ม, มาทําเป็นกราณมิตเนี่ยจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เราได้กราณมิตอย่างอื่นคือที่เป็นเป็นตัวคนตามขึ้นมา เพราะว่าการที่เราปฏิบัติดีเนี่ยก็จะมีแต่คนดีที่จะคบกับเราแต่คนไม่ดีเขาก็าจะถอยไปเพราะคนไม่ดีเอา้คาคุณฉันด่าคนนี้เธอไม่ร่วมด่าแล้ ว, วไปคุยกับคนอื่นดีกว่าก็จะมีช่องให้คนดีเข้าค่ะนะคะการทําตัวเป็นมิตรแท้จึงง่ายกว่าการหามิตรแท้สักคนจะว่าไว้ก็ง่ายนะคะเพราะว่าบริหารกับตัวเองใช่ค่ะส่วนถ้ามีมิตรแท้กลยานามิตรมี ริมักมีองค์8อยู่แล้วจําเป็นต้องมีมิตรแท้อื่นๆเป็นเพื่อนอีกหรือไม่คะก็นนี่ที่ว่าว่าถ้าเรามีมักแปหรือว่ามีครูอาจารย์เป็นมิตรแท้แล้วเนี่ยพวกไม่ดีไม่ดีเนี่ยจะหายไปคือุริชาตเปรียบเทียบเหมือนกับว่าน้ําทะเลเนี่ยความมหาศจา์ของน้ํำทะเลอย่างที่4เนี่ยคือน้ําทะเลเนี่ยจะตลอดเวลาเลยจะซัดซสร้างศพนะขึ้นเข้าสู่ฝั่งเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ดีเนี่ยสร้างศพที่ตายแล้วจะถูกพัดออกไปขึ้นฝั่งหมด นะก็เหมือนกับว่าถ้าเราทำดีแล้วคนไม่ดีเนี่ยมันจะเริ่มห่างเราไปเองค่ะแล้วคนดีก็จะเข้ามาแทนนะคะเพราะ<ม>คนไม่ดีเขาอยากจะให้มีเพื่อนทำอะไรแบบที่เขาทำ<ช>เขามาหาไม่ได้ในเรา<ก>เขา ก, เก็ไปหาใหม่<ช>ทิ้งเราไป<ม>แล้วก็คนที่มีความรู้สึกว่าเอออยากทำอะไรดีๆอย่างที่เราทำเขาก็จะเข้ามาหาเราใช่อันนี้ก็ได้บิโดโอัตโนมัติผู้ที่ไม่มีมิตรแท้แม้แต่คน หรือว่าสิ่งเดียวคือคงจะหมายถึงทั้งรูปธรรมและนามธรร ม, ามพระพุทธเจ้าตรัสว่าเกิดจากบุพกรรมใดเจ้คะ่ะเป็นเพราะว่าเป็นค น, าน่าลคนพานเนี่ยจะไม่มีมิตร ด, ดีคนพานดูไงเป็นคน่านอะไรเป็นเครื่องหมายเครื่องอ้างอิงของคนผ่านดูได้3ามอย่างคุณยมติวอย่างแรกคนพานเนี่ยมักจะคิดความคิดที่ไม่ดีอย่างที่สองคนพานมักจะพูดคาพูดที่ไม่ดีแล้วก็มักจะมีการกระทาที่ไม่ดี สอย่างนี้เป็นเครื่องอ้างอิงเครื่องบ่งบอกของคนผ่านคนี่เป็นแบบนี้นะจะหามิตรเนี่ยยากก็จะไม่ค่อยมีมิ t h แท้ก็เท่ากับว่าอาจจะไม่ใช่กรรมในชาตินี้เป็นกรรมเก่ากรรมก่อนอก็ได้พบว่าประพฤติไม่ดีใช่ไมพระพรุทธเาพูดถึงว่าตกไปไปตกนรกลนะพอขึ้นมาจากนรกก็จะเกิดในสกุลต่ำนะมีข้าวปลาอาหารน้อยแล้วก็ยังจะมีเพื่อนไม่ดีพอมีเพื่อนไม่ดีก็จะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีก็จะยิ่งตกต่ำลงไปี นะคะอันนี้เป็นพระพุทธองค์กลัสไว้เลยใช่ผู้ที่เป็นมิตรแท้ต้องมีศีลเสมอกันศรัท ธ, ธาเสมอกันด้วยหรือไม่เจ้าคะศีลกับพระพุทธเจ้าตรัสถึงศีลกับทิฏฐิ2 อ, อย่างนะที่จะเป็นคุณธรรมที่ทําให้มีความรักหรือความสัมพันธ์กันข้ามภพข้ามชาติอย่างพูดถึงความรักของเทวดาหรือความรักของสามีภรรยาคู่ใดคู่หนึ่งที่อยากจะอยู่กันไปยืดยาวตลอดข้ามภพข้ามชาติเนี่ยให้มีศีลกับทิฏฐิสเสมอกัน แต่ว่าถ้าพูดถึงในชาตินี้เนี่ยในชาติปัจจุบันเนี่ยมิตรแท้ที่เป็นลักษณะว่ามีอุปการะเป็นมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นมิตรแหนประโยชน์เป็นมิตรมีความรักใคร่สี่อย่างเนี้ยอย่างละ4อย่างเนี่ย ย, ย, ย, ยังมีคุณสมบัติอีกสีอย่างเนี่ยเนี่ยเป็นมิตรแท้แล่ะดูแค่นี้เองนะเขาแหนประโยชน์เราไหมเขาเป็นคนพึ่งได้ไหมพวกนี้คือเพื่อนแท้แล่ะเพื่อนแท้ในปัจจุบันนะแล้วถ้าเขายังมีศีลมีทิฐิเสมอเราไปด้วยเนี่ยก็จะทําให้เจอกันข้ามภพความชาติไปอืมค่ะ คือก็ต้องมี2ระดับความะวะสุขที่เป็นไปเพื่อสัมปรายะอย่างที่พูดถึงคุณธรรมเช่นศีลศ ร, รัทธาเนี่ยคือจะเป็นไปเพื่อพบต่อต่อไปสัมปรายะคือพบต่อต่อไปแต่ถ้าพบปัจจุบันก็คือมี4ี่คุณสมบัตินี้เกิดเรื่องของความอุปการะร่วมทุกข์ร่วมสุขเนีประโยชน์ความรักใคร้เนี่ยก็ชื่อว่าสมเหตุประโยชน์ในปัจจุบัน ม, มีมีสระดับนั่นแหละ2ระดับะะพบระพุทธเจ้าใช้กำวมาทิฏฐธรรมนะคือพบปัจจุบันกับสัมปรายะคือพบต่อต่อไป มีอุปการะการร่วมทุกร่วมสุขกันและประโยชน์และหลายอย่างนะคะมีความรักใครมีความรักใครอันนี้ในปัจจุบันถือว่าเป็นเพื่อนแท้ที่ดีมากถ้าท่านมีท่านต้องเก็บรักษาไว้นะคะแต่ถ้าท่านอยากจะพากันไปทุกพบทุกชาติพบทุกชาติท่านต้องมีทั้งศีลและมีทิฏฐิเสมอกันทิฏฐิคือความเห็นเห็นความดําริชอบใช่ไหมใช่สมมาทิฏฐิสมมาทิฏฐิเป็นความเห็นชอบเห็นใน อริยศาสตร์ทูปอะคะเห็นในอริยศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของโลกุตละเรื่องของโลกียะก็มีที่เป็นส่วนเกี่ยวเนื่องกับโลกคือการให้ทานมีผลนะพ่อมีแม่มีการบูชามีการให้ยันมีเทวดามีต่างๆพวกนี้เป็นสมาธิไอ้อย่างสมมุติเราไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนคนนี้ดีมากเลยเราไปวัดเราจะควักทำบุญ1น0 0งบาทใช่ไหมคนนี้ก็ควักทําบุญเหมือนกันห้า0ันบาทไปคนละที่แล้วนะสองคนนี้ ค, คนที่ทำบุญห้าพันบาทเนี่ยเขามีจิตละความตระหนี่ได้มูลค่าห0 0พันยกตัวอย่างเช่นเขาจะไปสูงกว่าเพราะฉะนั้นถ้ามีทิฐิเสมอกันมีศีลเสมอกันเนี่ยจะไปด้วยกันได้ไปในที่ที่เดียวกันนะคะลักษณะนี้แต่ทีนี้แหมเวลาใกล้จะหมดคงต้องไปถามวันอื่นเลยค่ะที่ฉันเลยมีประเด็นต่อจากเรื่องเมื่อสักครู่ที่ท่านเพิ่งพูดจบไปเอาเป็นว่าสนทนาธรรมจนเพลินนะคะ แต่ไม่เป็นไรคะ่ะรายการเราก็มีให้ฟังเพลิ น, พลนๆวันละครึ่งชั่วโมงพรุ่งนี้เราเปิดมาฟังกันใหม่ก็ไดคนน้ความเพลินใดความเพลินนั้นเป็นทุกแหนท่านคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ท่านไม่มีเวลาแล้วคะ่ะ <c oughs> วันนี้ค <c oughs> งจะได้เท่านี้ก่อนนะคะ <c oughs> ท่านฟังก็ติดตามรับฟังกันสําหรับรายการสันสนีสนทนาในวันพรุ่งนี้ต่อไปตั้งแต่ตีห้ที่ FM ฟเอร้วิทยุครอบครัวข่าว กับวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตินี่แหละนะคะวันนี้นมส ก, การขอบพระคุณท่านเพรู่บุค่ะจเพร้อมกันนี้ก็พุทธวัตสวัสดีท่านผู้ฟังที่ครบทุกท่านด้วยนะคะพุทธวัตสวัสดีค่ะ